ขอความเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหร่แต่รมพระบกิยานกำลังเสนอมารถีตุสูตรหรือวิสูตรที่ว่าด้วยตอนนางตัะหาราคาระจีมาโยโยวนพระพุทธเจ้าโดยวิธีการต่างๆเพื่อจะนำพระพุทธเจ้ า, ปจ า, ปจาไปสู่อำนาจของพญามารผู้เป็นบิดากระบวนก่อนมาประรบถึงคำถามแล้วก็คำตอบ คำถามของอารติครติคือซึ่งเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งแล้วคําตอบของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคําถามเนี่ยมันถามค่อนข้างยาวคือต้องอธิบายพระเจ้าก็ทรงตอบแบบอธิบายเธอถามว่าภิกษุในศาสนานี้มีปกติอยู่ในธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนมากจึงข้ามโอค่าทั้งห้าแล้วเวลานี้ได้ข้ามโอค่าที่หกแล้ว กาสัญญาทั้งหลายย่อมพร้อมร้องไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้แพ่งฌานไหนมากนารติกรเพิ่งถามอย่างนั้นเพราะงั้ น, นที่ที่วันก่อนที่นําอธิบายเนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่าบุคคลมีกายอันส ง, งบแล้วคือหมายความว่าใครก็ตามถ้ากายส ง, งบแล้วเนี่ยแล้วก็จิตหลุดพ้นดีแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งแต่จะมีสติจะไม่มีความอะไร ได้รู้ทั่วเพราะได้รู้ทั่วถึงธรรมคนประเภทเนี้ยจะมีปกติเพ่งอยู่้วยฌานที่สี่อันหาวิตกไม่ได้ยะไม่กำเริบไม่สั้นไปไม่เป็นผู้ย่อท้อหรือถ้าเพ่งในฌานที่สี่เนี่ยมันก็มีเฉพาะอุเบกขากัะเอกคะตาก็บางทีต้องก้าไปถึงฌานที่สี่บางทีก็ไปอยู่ที่สอง ทีนี้ก็มาสรุปคำถามตอนท้ายที่จบอกว่าภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มากหมายความว่าโดยปกติท่านจะเข้าชาญได้มากเพาบรรยากาศที่พระรยบุคคลท่านอยู่เนี่ยพระเป็นร้อยๆในเงียบที่เลยบรรยากาศเหล่านี้จะหาจะหาดูได้ยาก ถึงวันก่อนไปบญญปรรดาบรมที่สถาบันทางการทหารแห่งหนึ่งเขามีเบรกนะฮะเขาพูดทีนึงห้าสิบนาทีเราก็ต้องเบรกให้เขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าเป็นพระฟัง น, นะนะอาตมาไม่เบรกให้เราแล้วไม่ใช่แค่ร้อยนาทีพระฟังในสามชั่วโมงครึง่งเราต้องการฝึกคุมสมาธิฝึกสัจจะฝึกอธิษฐานฝึกขันติฝึกความเพียร อของคนไปด้วยเพราะเวลาการเวลาทํางานเนี่ยเราไม่มีโอกาสพักหรอกสถานการณ์เกิดขึ้นจริงเส้นเช่นทหารก็สู่สงครามเนี่ยเราไม่มีโอกาสพักรู้ได้ยังไงว่าจะได้พักตอนไหนเบรกได้ที่ไหนล่ะถ้าเขารบขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในต่อสู้กับอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องฝึกให้เข้มแข็งเผื่อไว้เผื่อไว้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทีนี้ท่านเหล่านี้บรรยากาศเนี่ยจะสงบบางทีเงียบเลย ทางๆ ท, ที่ไม่ใช่พระอริยะอะไรเนะแต่เข้าห้องอบรมแล้วก็ผู้อบรมเป็นผู้ใหญ่หน่อยจะให้ความเคารพแล้วก็จะฟังด้วยความสงบทีนี้ท่านที่เข้าถึงจริงๆเนี่ยท่านอยู่เป็นร้อยๆเลยคนเข้าไปใกล้บริเวณเนี่ยจะเดินสะดุดเอายังไม่เห็นยังไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นคือบรรยากาศของคนที่เข้าถึงความสงบและอย่างอื่นมันไม่มีอะไรแล ขันเกณฑ์ที่เราคุยที่เราพูดกันว่ามนุษย์มีความสนใจอยู่แค่สิบห้านาทีอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมาทําให้วุ่นไปเชื่อฝรั่งมนุษย์เนี่ฝึกก็ไปได้มันอยู่ได้สงบอ่ะสงบเจ็ดวันยังได้ได้มันอยู่ที่การฝึกหรือไม่ฝึกแต่นั่นเองจิตใจในเราให้สงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราอ่านหนังสือมีสมาธิเป็นชั่วโมงช่วโมงต่อกันไปได้เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างที่ฝรั่งเขาคิด คือระบบการพัฒนาจิตเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันสูงสุดแล้วเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าคนเราไม่ค่อยเจาะลึกลงไปแต่นั้นเองอันนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพต่างๆให้ดูนะฮะว่าท่านที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นจะมีอาการอย่างนี้ นะเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มากจึงข้ามโอเคะทั้งห้าได้แล้วบัดนี้ข้าบโอเคะที่หกแล้วกรารบรรทัดยาทางหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ทิกสูู่้เป่งฌานอย่างนี้มากเนี่ยคือหมายความว่าคนได้อยู่ในฌานกิเลสมันเกิดไม่ได้ก็กลับไปถึงถึงตรงน้นนะฮะเราจะเห็นว่าตอนพระพุทธเจ้าขึ้นประทับนั่งภายใต้โพธิบัลลังเนียตอนนั้นพระองค์ได้บรรลุฌานครับบรรลุถึงอรูปฌานสี่โดยทำไป เราก็พูดกันไปเรื่อยเลยนะกิเลสมาพจนพระพุทธเจ้าตัวนั้นคือไม่เข้าใจสภาวธรรมสภาพจิตอย่างนี้จะไม่มีกิเลสจะมีกิเลสถ้ามาแทรกมันเป็นวิขำพนะวิมุตคือหลุดพ้นด้วยกดไว้ด้วยกำลังของฌ า, านเพราะฉะนัตราด้ที่ฌานยังอยู่เนี่ยกิเลสมันผูขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้ก็กลายเป็นไปนยันที่ตรง น, นั้นแต่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนตรงโน้นนะตรงนี้ก็บรรลุอนุตรสมารสำปอริยานแล้ว ทีนี้นางราคาเนี่ยก็มาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าไปลักษณะที่ที่ค่อนข้างฤิษยากันแหนกันแหน่เปลีบเลยนะท่านท่างฟังลองสังเกตนะเดี๋ยวมาบอกไว้ในวันก่อนว่าคำถามของนางตันหากับคำถามของพญามานะเหมือนกันทุกคำแต่ตอนพญามาพระพุทธเจ้าไม่ตอบ แต่นองตอนนางตันหาทำไมตอบเพราะว่าพระยามานพูดอีกเรื่องหนึ่งคำว่าเป็นมิตรกับใครๆเนี่ยพระยามานพูดอีกเรื่องเนี่ยคือไม่สนทนาไม่แลกเปลี่ยนอะไรแต่อะไรกับท่านแต่ว่านางตันหามันผ่านคำถามหลังจากได้ยั่วยุวนด้วยวิธีการต่างๆจากผู้หญิงขึ้นมาไล่รำโดวยวิธีที่เราเรียกว่าถ้าไม่ร่วมอภิรมกับเธอแลยหัวใจจะแตกสลายเนี่ย เพาะนความคิดของเธอมันปิดอีกเรื่องหนึ่งพระเจ้าจึงตอบในคําถามในเหมือนกันพระเจ้าจึงรับสั่งตอบเห็นว่าเราชนะเสนาคือรูปที่รักและรูปที่ชอบใจนะเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ได้รู้ความบรรลุ ป, ประโยชน์และความสงบแผงอัศัยว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทําความเป็นมิตรกับชนทั้งปวงและความเป็นมิตรกับใครๆย่อมไม่อาํานวยประโยชน์ให้แก่เราหมายถึง กามสันทวะเพราะว่านางตัะหาท่านเน้นที่ตรงนั้นเน้นที่เรื่องกามาสันทวะมาพระเจ้าก็ตอบให้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ไปเป็นมิตรกับใครพระพุทธเจ้าเป็นมิตรกับคนทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามองทุกชีวิตด้วยความกรุณาในฐานะเป็นโลกเชิดฐานะเป็นโลกกันนาเป็นโลกกนายกเนี่ยทีนี้เราฟังคําถามของนางราคานะะที่ดาอีกีกคนหนึ่งตนาราคารตีแต่ตอนถามเนี่ย นางราคาถามทีหลังถามว่าพระาศาสดาผู้เป็นหัวหน้าดูแลคณะสงฆ์อย่าลืมว่นนาคณะสงฆ์ยางไม่มีนะแต่มันเป็นโครงสร้างของาศาสนาพระพุทธเจ้าก็เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์แต่ตัดธนาขาดแล้วและชนผู้มีศรัทธาเป็นนั้นมากแก่ประพฤติตามไรแน่แท้ก็สแสดงถากถางนิดๆ น, นะฮะลองสังเกตลักษณะถากถางนิ ด, นด พระศาสดานี้เป็นผู้ไม่มีความอะไรและตัดขาดจากมือมัจจุราชแล้วจากนำหมู่ชนเป็นอันมากไปสู่ฝั่งพระนิพพานแสดมีลักษณะลักษณะถามลักษณะถามคล้ายๆกับนำคนไปสู่ฝั่งพื่ไม่พานทำอะไรเพราะลักษณะเหล่านี้ดูคล้ายๆกับ ยอมรับสถานภาพจะยอมรับเยอะนะฮะยอมรับสถานภาพเยอะเพราะว่าเธอผ่านการพิสูจน์จากอาจจะเป็นพี่นะฮะสองคนเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาที่จะนำไปได้เพราะงั้นประเด็นที่เป็นศาสดาผู้เป็นหัวหน้าดูแลคณะสงฆ์พระศาสาศาสดาจึงแปลว่าสัทธวาหะคือมาจากแปลผู้นำหมู่ คือนำคนผ่านคนกันดานทั้งหลายแล้วก็ได้ตัดตาหาขาดแล้วอันนี้ก็กแสดงกายอมรับว่าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์และโซนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติตามได้แน่ในอนาคตนะครับพูดไปนแนวอนาคตโดยพื้นฐานต่างๆนี่ท่านก็นยอมรับประเด็นตัวนี้แล้วก็ยืนยันพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์คือไม่มีความอะไร และดัดขาดจากมือมัจจุราชแล้วคือไม่ไปสู่ความตายแล้วเพราะว่าตายในพูดกับคนนี่มีกิเลสพุทธเจ้าทำไมมีกิเลสเราก็ไม่พูดว่าตายก็ตายมาต้องมีคนตายนะฮะแต่นี่ผ่านมันเป็นความดับเป็นความดับแต่ภาษาธรรมดาเราก็พูดนั่นแหละพูดพระพุทธเจา้านิพพานแล้ว จักนําหมู่ชนเป็นอันมากไปสู่ฝั่งพระนิพพานคล้ายๆจะตั้งคําถามว่าทำไมด้วยผู้เจ้าก็รู้ความคิดรู้ว่าราจิตเนี่ยอาเทศนาปฏิหารเป็นการแสดงถึงอาเทศนาปฏิหารว่าผู้เจ้าทรงชงใช้ปฏิหารสองข้ออาเทสนาปฏิหารคือตัวสภาพจิตคนเหล่านั้นรู้คิดยังไงถามอย่างนั้นเธอคิดยริยงไงคนบางคนถามอย่างหนึ่งไม่ตอบคนอย่างหนึ่งต้องตอบ แต่รับสั่งนิมนวลนะฮะรับสั่งนิ่มนว น, ะ น, นวเป็นการแสดงสถานะของา ศ, าศาสดาไว้ชัดเจนเพราตะตถาคตมีความแกล้วกล้ามากคำว่าตถาคตนั้นเป็นสรรพนามที่พระเจ้าทรงเรียกโองถ้าเราแปลตามศัพท์ตรงๆนะฮะแปลว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปเป็นภาษามีความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งเป็นการแสดงกระบวนของธรรมะ แต่พระตฐาจารย์ท่านได้ขยายความออกไปเป็นแปดนยัยยะด้วยกันจึงในโอกาสต่อไปนะะเวลาถึงพุทธคุณก็คงนำมาคุยกันแล้ ว, ลวก็เป็นผู้กล้าแกล้วกล้าคือไม่หวัดวันต่อทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะถล่มแผ่นดินทลายอะไรเนี่ยคนระดับตถาคตเนี่ยไม่หวัดวันกับอะไรช้างเมามันวิ่งมาจะแทงประทับยืนเฉยเลย หรือไ ม, ไม่ไม่มีความกลัวเพราะกิเลสเป็นเนตรได้กลัวมันไม่มีความกลัวที่จริงมันมาจากกิเลสแต่เราไม่มีกิเลสเราไม่ทําชั่วอะไรแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเนี่ยมันก็เรื่องทัลายมันก็เรื่องธรรมดาเห็นกลัวผีอย่างเงี้ยมันก็มีโมหะมีโมหะอยู่เยอะก็ทําไปถามมาว่าเคยเคยเคยเจอคนถูกผีหลอกหรือเปล่าก็ไม่มีมันก็กลายเป็นนิทานเฉยๆมันก็แสดงให้เห็นถึงว่า คนเรายิ่งรู้ขึ้นมาเท่าไรเนี่ยความกล้าหาญจะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเพริเวสาระชากรณธรรมจึงเป็นเน้นที่ตัวปัญญาซึ่งนําให้เกิดความรอบรู้แล้วก็ทําให้คนมีความกระหาญ ร, รับสั่งว่าย่อมนําสัตว์ไปด้วยพระสัตรธรรมแหล่หมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้แสดงเป็นผู้ชี้บอกเป็นผู้นํา นำแบบไหนคือว่านำแบบสอนให้รู้ทําให้ดูแล้วก็ครองพระองค์ให้เห็นเพรา ะ, ะทุกอย่างมันเป็นการสะท้อนธรรมะทั้งหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยเรานั่งดูการเสด็จพุทธดำเนิน อ, อะไรต่างๆมันมีแต่รอยประทับใจเกิดสถานเรื่มใสนะฮะสาหรับคนที่มีจิตใจไม่เป็นศัตรูคนที่ไปใจเป็นศัตรูมันทําใจเรื่มใสไม่ได้เราเพราะอะไรเพราะว่าความดีงามสวยงามตรงนั้นมันทําให้คนริษยาคนบางคนก็ริษยา อย่างเนี้ยอย่างในพรมะมารยาฐานที่เล่าถึงสุปิยะพาชคกับพระเอภพรมะมทัตตมานพเนี่ยเขาเดินตามหลังกระบวนพระพุทธเจ้าไปไอ้สุปิยะไปพาชกมองดูลูกศิษย์เลเกะกะวุ่นวายส่งเสียงอึ ก, กทึกครึกโครมไม่เรียบร้อยเลยดูพระสงฆ์เดินไแถวไม่มีเสียงเลยพระตังห้าร้อยไม่มีเสียงเลยตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปช้า สุภยาปราชญ์ก็เกิดหมั่นไส้กนะันก็ด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้นฮนะไอ้ลูกศกนะิษย์ก็เชียร์นะฮะโระมัทตตมโนเกต์ก็เชียร์พระพุทธเจา้าไอ้นนท์ก็ดา่าพระพุทธเจา้าภิกษุก็ไปกราบทูลถามกราบทูลให้ทรงทราบนะฮะว่าลูกศิษย์าอาจารย์มีวาทะกัดแย้งกันลูกศิษย์ก็สรรเสริญคุณพระตนะทายอาจารย์ก็ด่าว่าประถนาทายพระเจ้าทรงสอนให้มองธรรมดานะแต่ว่า ประเด็นสําคัญก็คืออย่าโกรธเขาจะว่าอย่างไงก็ช่างเขานเรื่องของเขาปากเขาก็มีสิทธิ์จะพูดก็พูดไปแต่ว่าท่าทีที่เราควรมีก็คือหนึ่งต้องไม่โกรธสองถ้าเขากล่าวถูกต้องก่อนโมทนาเขาสามถ้าเขากล่าวไม่ถูกต้องก็ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้แล้วก็ไม่ให้คนเหล่านั้นทําบาปโดยไม่ความจมําเป็นเป็นผู้อนุเคราะห์ถามว่าเขานับถือพุทธเราไม่ได้เกี่ยว เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นมองโลกทั้งปวงก็คือพี่น้องกันดังนั้นแนวแนวการมองโลกจึงไม่เหมือนกันเพาราะกิจของพระองค์ก็ในฐานะเป็นผู้นุกเคราะห์โลกเป็นโลกาณนกรรมบากะคือน้อมเคราะห์โลกก็นำสัตว์ไปตามพระสัตธรรมนำไปด้วยอะไรด้วยการศึกษา การศึกษาก็ให้เรียนรู้โดยวิธีการต่างๆโดยสนทนาการาโดยการแสดงโดยการชี้บอกโดยศาสานาศนีวิธีการสื่อนี่เยอะเลยแต่สรุปแล้วก็คือให้คนได้รู้ได้เข้าใจมีเหตุผลในการครองชีวิตแล้วก็โดยการนําเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติศสัจธรรมเมื่อปฏิบัติสัจธรรมแล้วก็สัมผัสผลก็กลายเป็นปฏิเวทสัจธรรมแต่จะต้องจับประเด็นให้ได้นะ คือเ น, นี้ยมีเป็นอันมากแล้วที่น่ารําคาญที่สุดก็คือพวกพระกรรมฐานไม่จะทั้งหมดนะฮะแต่ก็มีมากกว่าสงคนรบางทีก็ออกวิทยุก็นั่งฟังของวิทยุบ้างออกโทรทัศน์บ้างคือท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยศึกษาพระสัจธรรมเดี๋ยวจะเรียนจากอาจารย์ตัวเองแล้วก็ไปเสด็จปริยัติคือท่านไม่จะเข้าไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าปริญัติปริญัติคือการเรียนทางภาษาสัมผัสทั้งหมดมันเป็นปริญัติ แต่ว่าหลักธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยฐานะจริงๆเขาไม่ใช่ปริยัติสัจธรรมมันเป็นปฏิเวทจากพระไถ่ของพระพุทธเจ้ามาก่อนเพราะมันจะหมุนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันปฏิเวทแล้วก็กลายเป็นปริยัติสมหรับเราแล้วเราก็นําไปปฏิบัติเราสัมบัติผลก็เป็นปฏิเวทคือตรองกันสิพระเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีศรัทธาเนี่ย แต่ว่าในแง่ขององค์ธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าศรัทธามันทำลายความไม่เชื่อทำลายความสงสัยทำลายโลภะทำลายโทสะปัญหาว่าเราเห็นพวกนี้หรือเปล่าเราเห็นความไม่เชื่อภายในจิตไหมเห็นความสงสัยภายในจิตไหมเห็นความโลภภายในจิตไหมเห็นความโกรธภายในจิตไหมถ้ายังเห็นแสดงว่าคุณไม่มีศรัทธาแต่ตรงนี้ยมันก็คืออาการของปฏิเวทจริงๆก็ทรงสแสดงไว้ในในพระไตรปิฎกนั่นเอง บางครั้งบางคราวเวลามีการพูดการแสดงธรรมะเนี่ยหญาติโยมที่ฟังเนี่ยไปเข้าใจว่าเราเนี่ยรู้ความคิดของเขาโอ้แสดงความชื่นชมแหมพระอาจารย์พูดตรงกระใจใายในชันเพียเลยนะที่คิดไปที่มีปัญหาอยู่เนี่ยที่อาจารย์พูดมันตรงหมดเลยแล้วก็บางทีอาจารย์ก็ชักจมูกเมนะทำวางเฉยตั้งมาธวางเฉยเลยเตืนที่จะบอกให้โยมเข้าใจนะะ ให้เขาโอนย้ายความศรัทธาเลื่อมใสไปอยู่ที่วรรตนาดไรนะไปโมเมเอาไว้เองแต่ลูกศิษย์ก็เอาไปคุยโมโ อ, โ อ, อวดนะอาจารย์เราอย่างนั้นอย่างนั้นเราลองตั้งเกตนะฮะที่เกิดปัญหาดังๆไงเนี่ยลูกศิษย์เชียร์จนเละหมดทั้งนั้นนะคืออาจารย์ต้องแสดงความสุจริตออกมาว่านั่นเป็นสภาวะธรรมพระเจ้าทรงแสดงไวรออธิบายไปตามที่พระเจ้าทรงแสดง ก็มีคนคนหนึ่งก็าตั้งข้อสังเกตว่าอาตมาเนี่ยชอบอ้างพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามโยมว่าแล้วยอมจะเอายังไงอาตมาเป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าแต่นั้นเองมาไม่ได้คิดเราใหญ่โตอะไรเลยเราภาคภูมิใจที่จะเป็นเด็กรับใช้สนองงานพระพุทธเจ้ารับใช้พระรัตนารณ์ไตรแล้วข้อเสนอทั้งหลายนั้นถ้าผิดเรารับผิดพอเราเข้าใจผิดเรารู้เท่าไม่ถึงการถูกคือพระรัตนานุรณ์ถูก คนจะนับถือต้องนับถือพระพุทธเจ้าประธรรประสงกไม่ใช่มานับถือเราเราเป็นเด็กถือถือสารแต่นั้นเองเด็กเดินสารแต่นั้นเองแล้วก็ต้องอ้างพระพุทธเจ้าไวปเลยเพื่อเห็นว่าธรรมนั้นไม่ใช่ของเราเรัตสังว่าเมื่อตาถาคตนำไปอยู่โดยธรรมหมายความวม่านำชาวโลกไปโดยธรร ม, มาเนี่ยนำพุทธบริษัทไปโดยธรรมะเนี่นยเช่นไหนความริษยาจะพึงมีแก่ท่านบุ้รู้เร่านี้คือประเด็น แต่ตอบนิ่มนะฮะตอบนิ่มมากโดยพระมหารกรณาธิสูงส่งแต่ว่าหมายถึงทรงรู้ว่านางราคาในริษยาฤษยาพระองค์ที่จะมีคนเคารพนับถือเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าเมื่อคนไปนับถือพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่อยู่อำนาจของมารก็น้อยลงน้อยลงบ้ามารแกเดือดร้อนประเด็นตรงเนี้ยแกไม่ค่อยติดใจที่พระพุทธเจ้าทเท่าไรหรอกพอแกแพ้แล้วแกยอมจำนนแล้วแต่กลัวที่สุดก็คือพระเจ้าจะดึงคนออกนอกอำนาจของแก ลูกสาวทั้งหลายมันก็คิดแบบเดียวกันนั่นนะนั่นคือพวกมารเนี่ยให้เราสังเกตว่าแนวคิดแบบมารเนี่ยจะให้ความสาคัญแก่ตัวเองแต่แนวคิดแบบพระเนี่ยจะให้ความสําคัญแก่คนอื่นคือเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกพระเจ้าไม่มีคําถามว่าพระองค์จะได้อะไรจากชาวบ้านแต่ก็พยายามที่จะให้คําตอบว่าพรให้อะไรให้ให้อะไรให้แก่ใครให้อย่างไรให้โดยวิธีใด ให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรเพราะนั้นธรรมะก็เลยก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามบุตรที่ภาวะของผู้ฟังในกรณีนั้นนั้นผู้ฟังจะรับประโยชน์ได้โดยวิธีใดก็ทรงแสดงโดยวิธีนั้นทีนี้ประเด็นสาคัญว่าการนำสัตว์ไปด้วยประสัทธรรมเนี่ยมันเป็นการความถูกต้องทั้นี้คือการพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาคุณ พระพุทธเจ้ามีปัญญาจริงมีบริสุทธิ์จริงแล้วก็การมีปัญญากับบริสุทธิ์นี่มันต้องโลกทัศน์ต้องเปลี่ยนถ้าโลกทัศน์ไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าไม่ใช่คือต้องมีครบทั้งสามอย่างนะมีครบทั้งสามอย่างความเป็นพุทธที่เราดูได้ตรงเนี้ความสมบูรณ์ของพระพุทธเจา้านั้นสมบูรณ์แต่วความเป็นพุทธในใจเราเนี่ยเรามีพอหรือเปล่า เรามีปัญญามากจริงไหมเรามีใจบริสุทธิ์พอไหมถ้าพอต้องมองเป็นหนึ่งเดียวนะยกตัวอย่างในวงการพระวงการแคบๆเนะนี่ยคนแค่สามแสนคนสามแสนกว่าคนเนะีมีความคิดแบ่งแยกไหมเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานไหมนะภาคอื่นไม่มีความสามารถที่จะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือ ย, อยังไงถึงไม่มีเลยนะโดยเห็นว่าระดับสมเด็จราชาณะเนี่ยไม่มีภาคอื่นเลย มีภาคใต้อยงองหนึ่งก็เป็นทิวัสเกตนั่นก็คืออะไรมันแสดงเราพิสูจน์ได้ไหมว่าเราสุดจริจใจเนี่ยแต่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขามีความแบ่งแยกลึกๆอยู่ในขณะเดีวยวกันเราก็เรียกเอกภาพร้อนความเป็นสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวบางทีนี่คือฉันต้องเป็นใหญ่อะเดี๋ยวเรียกร้องสามาคัคคีคือให้ฉันเป็นใหญ่เท่า น, นั้นเอง นั่นหมายความไงหมายความของไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์จริงเพราะไม่ได้มองด้วยความเป็นมิตรหรือมองด้วยความเปตนากุณาแต่พระพุทธเจ้านั้นพิสูจนได้เห็นเลยว่าต้องทําด้วยความกรุณาแล้วไม่ทําเพื่อพระองค์ไม่ได้ทําเพื่อได้แต่ทําเพื่อให้ทีนี้คนคนหนึ่งเนี่ยทํางานเพื่อให้เพื่อเพื่อโลกเนี่ยคนผ่านเขาลิสหยาเพราคนผ่านมันสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยพระเจ้าสอนในคนรักษาศี่ห้าอย่างเนี้ย พวกกลุ่มผลประโยชน์พวกขายสิ่งเสพติดทั้งหลายพวกมีซ่องนางรมทั้งหลายเมันก็เกลียดเอาท่านั้นเองแต่นั้นเป็นเรื่องคนผ่านมันอนิจจยอะไรคนผ่านไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยจะไม่ริษยาท่านผู้รู้จะไม่ริษยานั้นก็เป็นการตือนให้นางราคาเนี่ยได้คิดธิดามาทั้งสามก็เลยเข้าใจนะยอมสยบแล้วก็ไปไปหาพระยามา ะยามาณเห็นที่ดาเดินมาจึงกล่าวเพอนะฮะทำนองเพอเป็นการเตือนสติลูกสาวว่าคนโง่เนี่ยพากันไปทําลายภูเขาด้วยการบัวเกี่ยววิธีการทั้งหมดที่พวกนี้ทํานะพระพุทธเจ้าเหมือนภูเขาอะพวกนี้เอาการบัวไปทําลายแล้วก็ขุดภูเขาด้วยเล็บหรือเขี้ยวเหล็กด้วยฟันเนี่ยโง่ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่ทำเนี่ยโง่ทั้งหมดเลยมันเป็นการประทุษร้ายตัวเอง แล้รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจะทำพระสัมมณโคโดมให้ต้องหลีไปนั้นเป็นดุดบุคคลวางหินไว้บนศีรษะแล้วก็แทรกลงไปในบาดาลหรือดุดบุคคลเอาอกกระแทกต้นไม้เช่นนั้นเนี่ยมันจะปวดด้วยตัวเองตอนนี้พระบรดาณอาจารย์ก็มาสรุปนะฮะสรุปว่าพระศาสดาได้ขับไล่านางตนานางราคานางอนางอรตีนางราค า, า, า, า, า, า, คาผู้มีรูปหน้าทัศนายิ่ง ซึ่งได้มาแล้วในที่นั้นได้หลีไปเหมือนลมพัดฝุ่นปุยนุ่นให้อันตรธานไปฉะนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าทิดามานทั้งสามนั้นคือมารธทิดาจริงๆเทพทิดาจริงๆแล้วก็มาเป็นตัวตนบุคคลมาอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาพจนพระพุทธเจ้านั้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าสัสรู้ผ่านการประทับสเสวยบิมุตติสุข อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งสัปดาห์นะถ้านับเฉพาะบาลีสี่แห่งแต่ถ้านับรวมอัตกถาด้วยเจ็ดแห่งเนี่ยก็คือสัปดาห์ที่ห้าอย่างน้อยเนี่ยคือสัปดาห์ที่ห้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสัปดาห์ที่แปดมันควรจะอยู่ในสัปดาห์ที่แปดตามโครงสร้างของพระสูตรแต่อย่างที่บอกนะว่าเรื่องเวลาเนี่ยไม่ชัดเจนแต่ยังไงก็ตามคือหลังจากพระพุทธศาสุาแล้วอาสวะกิเลสหมดไปจากพระเทศยหมดแล้วจึง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นกิเลสสมานด้วยประการทั้งปวงทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมประพธิญานในวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอก ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี